ัำหลักวิชาการทุกวันนี่คือว่าทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่เรายังไม่เห็นทรงไทยปีเก่าปีนี้เรามาพวกกันหน่อเราจะเดินทางเส้นใหม่ลองดูนี่ว่าการเดินทางที่เราเดินทางมาแล้วนั้นมันเป็นขุ่นขัเรื่อมันบมเรียบร้อยบันนี้เราพยายามมาเดินทางเส้นใหม่ๆม่ ทางใหม่แต่ว่าทางเดิมแต่มันเป็นนิถีลัดทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไปได้ทุกคนดังนั้นวันนี้จึงมาเป็นการเปิดโอกาสได้เปิดบรบรมเปิดทางใหม่วานนี้เปิดทางคนเดินทางใหม่เริ่มแรกที่สุดจะได้ในมูลเพื่อนจันท์ทองเพราะเป็นสมภารถึงเจ้าวัสเป็นผู้ลิเริ่มงานนี้ขึ้นมาพร้อมโดยพระสงฆ์วัดสนามไหน และญาติโยมผู้สนใจก็มาตรับตับฝังและลงมือปฏิบัติตามด้วยดังนั้นที่พูดสัน้นวันนี้ก็อยากนนมุลพ่อจันท้์ทองได้มีโอกาสอย่างไรจะทำนีน่นมูลนะครับขอโอกาสจากหลวงพ่อใหญ่และก็เพื่อนภิกสูสามเณรที่อยู่ในวัดของพวกเราและก็ ขอจเจริญพรญาติโยมผู้ที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่30ไปจนถึงวันที่4มกราคมตามหมายกำหนดการแต่เรื่องการจัดงานและก็พวกเราก็คงจะได้ไปร่วม ง, งาน ห ล, ห, ล ห, ล ห, หลายที่หลายแหง่งแล้วก็ไปเห็นหลายที่หลายแห่งบางคนไอ้บางคนก็อาจจะไม่ได้ไปร่วม ง, งานก็มีนี่แต่ผู้ที่ได้ไปเห็นมาไอ้ว่าได้ไปร่วม ง, งานมาอันนั้นก็ดีหรือผู้ที่ยังไม่ได้ไปร่วม ง, งานยังไม่เห็นงานที่จัดอันนั้นก็ดีเพื่อจะได้ไม่เห็นที่นี่ เพราะว่าการทํางานหรือว่าการเปิดงานอบรมในที่นี้อาจจะไม่เหมือนที่เคยไปร่วมงานมาหรืออาจจะไม่เหมือนที่ไปเคยไปอบรมมาเพราะว่าการจัดงานเปิดอบรมตอนนี้จะให้ญาติโยมผู้ที่มาอบรมให้ได้มีโอกาสปฏิบัติกันให้มันมากเพราะว่าการได้ยินได้ฟังหรือว่าการศึกษา ในส่วนใหญ่กับผมเนี่ยจะมาก็คงเข้าใจว่าญาติโยมทุกคนก็คงได้ศึกษากันพอสมควรในตามหลักวิชาการทางภาสทฤษฎดีก็ได้ยินได้ความกันมากเพราะฉะนั้นการเปิดการอบรมครั้งนี้ก็อยากจะให้พวกเรานี่มาทดลองในการปฏิบัติในการศึกษาตัวเองนี่ให้มันมีเวลา มากแต่การได้ยินได้ฟังนั่นก็ดีแต่จริงๆริแล้วการได้ยินได้ฟังนั่นมันยังสู้การกระทำไม่ได้แต่การกระทํานี่สําคัญที่สุดอมีแต่พูดแล้วไม่มีการกระทําประโยชน์มันก็อาจจะเกิดน้อยกันแต่ถ้าไม่มีการพูดไม่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้ามีการกระท omes, ํานั่นแหละเป็นสิน่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะพิสูจน์ได้ การกระทําแต่การได้ยินได้ฟังมันพิสูจน์ได้แน่สถึงที่ได้ยินมากได้ฟังมากอันนี้มันยังพิสูจน์ได้แน่ที่มันจะพิสูจน์ได้จริงๆคือการกระทําเอาตัวการกระทําเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้และมันก็จะกล้าได้จริงๆอิงพิสูจน์ได้และกล้าได้จริงๆริท่าทายได้จริงๆริงว่าธรรมะมันเป็นยังไงแล้วของจริงจริงๆมันเป็นยังไงมันเกิดจากการฟังหรือมันเกิดจากการกระทาของเราเองะ หรือมั น, เ ก, นเกิดจากการสัมผัสหรือว่าเกิดจากการรับรู้มาจากภาวะภายในจริงๆอันนี้เี็นคนละอยา่างเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ญาติโยมผู้ที่มาอบรมนี้ได้ปฏิบัติกันมากแต่การปฏิบัติอันนี้อานตมากล้าจริงๆอาตมาไม่ได้เป็นนักพูดไม่ได้เป็นนักแสดงนักบรรยาย แต่ว่าพูดถึงการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะมากล้าจริงๆอวิธีนี้นะวิธีเจริญสติแบบเพื่อนไหวเนี่ยวิธีทำความ ร, รู้สึกตัวพอจะมาได้สัมผัสมาหรือว่าได้รับรู้มาแต่วิธีอืน่นนอย่างอื่นนักธรก็ทำมาเหมืออกีนมันยังไม่เข้าใจมันยังทําให้ตัวเองมองไม่เห็นะขอดีมาทําวิธีนี้มันมันกล้าได้เลย พาเป็นวิธีที่รัดๆเป็นวิธีที่สั้นๆถ้าใครตั้งใจจริงปฏิบัติจริงเห็นของกินกิง ๆ, ๆเห็นในระยะสั้นๆกระไรใกล้ๆนี้นก็ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติครั้งนี้จะได้แยกกันอ่าโยมอุบาศกกับพระจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งส่วนโยมอุบาสิกาและผู้หญิงก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งเวลาทานอาหารเราจะไม่ได้ทานร่วมกันแต่ทาวัดก็คงจะร่วมกัน เวลาทานอาหารเราจะแยกไปฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้แผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ไม่อยากจะให้มันมันดูรวมกันเพราะว่าคนมันมากเวลาจะไม่พ อ, อเวลาทานอาหารมันอาจจะช้าไปหร ม, มาเลยกินเวลาไปนา น, นาก็เคยอยากจะแยกทุกครั้งก็เคยจัดกันมาเคยฟังการบรรยายเวลาทานอาหารก็มีครูบาอาบบจารย์บรรยายหรือ น, นมวนาจารย์ที่นู่นที่นี่แต่ตอนนี้คงจะไม่มี แต่ถ้าหลังจากฉันถ้าเราแยกกันไปแล้วอาจจะมีครูบาอาจารย์มีพระเป็นพี่เลี้ยงพูดทํามาให้ฟังอบรมในตอนนั้นเลยอย่างนี้นะอาจจะมีบางการณีมีกรณีพิเศษแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็อาจจะแยกกันอยู่ให้พระผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อบรมเลยหรือหลังจากฉันทานอาหารเสร็จก็เป็นการพูดให้พกรกันเ็ดเวียวตัวจากนั้นก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติกันเลย แล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่จะพาปฏิบัติหรือว่านำปฏิบัตินี่ไปเลยในวิธีการปฏิบัติสำหรับคนใหม่จริงๆคนนี้ยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยทำนั้นบปนอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนที่เคยผ่านมาเคยรู้จักวิธีมาเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วเข้าใจบ้างแล้วเปนอีกส่วนหนึ่งอาจะแยกกันหนก็ได้อันนี้พูดถึงการ การปฏิบัติเหมือนแต่วิธีการปฏิบัติอันนี้จะมายืนยันได้อแล้วก็พิสูจน์ได้ในตัวเองแล้วก็ ย, ยืนยันได้พิสูจน์ได้ตัวเองไ ม, ไม่ได้ยืนยันคนอื่นไม่ได้กล้าคนอื่นกล้าจะมาคนเดียวยืนยันคนเดียวแต่คนอื่นนั้นก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเราจะปฏิบัติจริงทําจริงมันต้องครบของจริงจริงจริงเช่นของจริงจริง ๆ, ๆเพราะทุกคนมันมีจะบวชก็มีนม่บวชก็มีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีใครๆก็มี จะเป็นใครก็ได้อะไรก็ได้อ um ่าแต่ถ้าเราจะเอาจริงแต่ถ้าเราเอาไม่จริงก็นั่นไม่จริงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงกล้าแต่วิธีการดังนี้อาตมาจะยืนยันเลยจะรักษาอุดมการดังนี้อถึงอาตมาพูดไม่ได้พูดไม่จริงนี้อาตมาบอกวิธีการปฏิบัติวิธีแหะอาตมากล้าเลยแนนได้อบอกได้เลยได้จะรักษาอุดมการดังนี้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีอย่างอื่น มายนี้ก็ไม่ไม่มีการหวั่นไหวอ่าแต่ถ้าทายคนเดียวก็จะเอาวิธีการนี้ใครจะมีวิธีอื่นอย่างอื่นมาก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่กลัวว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีที่ทำให้คนไม่เข้าใจแต่ถ้าเราจะมานี่ยืนยันในร้อยเปอร์เซ็น ว่าเป็นวิธีที่มันทําให้คนนี้เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนหน้ามีเป็นหลังมือเลยหนักเป็นเบาไปเลยไอ้ไข่ไของเราหนักร้อยกิโลเมื่อเรามาทำลกลมรู้สึกตัวไปจเจริญสติไปทําลนรู้สึกตัวไปนะถ้ามันเข้าใจแล้วมันจะโยนทิ้งไปเลยเพรามันจะสลายไปเลยอย่างนี้กได้ไครไข่ก็มันจะหลุดไปแล้วกินกินวิธีนี้มันจะจางไปนะมันจะจางไปมันจะหมดไปมันจะทําลายไปค่อยๆหมดฤทธิ์ไปหรเอจนไปถึงที่สุดไปเลยอย่างนี้ก็ได้ ถ้าใครรู้แนวทางวิธีการปฏิบัติเนี่มันจะเข้าไปเลยมันจะเข้าว่คล้ายๆแมันจะเข้ากรกะกแสยเี้มันจะไปเรื่องมันเล ย, ไป เ, ลยไปเรื่องของมันเป็นอย่างนี้ย็จะน่าจะมาจริงกล้าจริงอะไรอยงนี้อันนี้พูดถึงเรื่องวิธีการปฏิบัติอาจามาก็จะพูดไปแค่นี้ก่อนแล้วต่อไปก็อะไรราฐนาลงข้อให้โอวาทหรือให้วิธีการปฏิบัติแก่พวกเราเพื่เป็นปการเสียเวลาอันนี้ก็ขอราฐนาละข้อนิมนต์ หากพูดจริงลรเลยเะพอต้องพูดอยางสันเพราะว่าการยืมเอาคํำพูดของคนอื่นและสําแหน่งคนอื่นนั้นมันปวดหัวไม่ได้ตั้งแนวของคิดไว้ถ้าเป็นภาษาบ้านตัวเองและสําแหน่งตัวเองจริงๆแล้วไม่ต้องถามใครไม่ต้องวันไว้เดี๋ยวนี้การศึกษาเล่าเรียนจะเป็นทางทฤษฎีก่อนนะพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียแรกอะหลักโซรตามหลักวิชาการทางโลก ชอบมาจะทางไฟฝรั่งเศสความจริงหลักพื้นฐานของคนไทยจริงๆนั้นมีน้อยที่สุดตามครูบาอาจารย์หลายฟังว่ารักวิชาการตัวหนังสือก็ไม่พอจำเป็นต้องไปยืมหนังสือจากประเทศอื่นหรือคำพูดจากคนอื่นมาสอนของคนไทยแกความจริงคนไทยก็สมบูรณ์แบบอยู่เหมือนกันที่ว่าคนไทยแท้ไม่ใช่เป็นทาสของใครเป็นคนไทยจะแท้ ถ้าเป็นทาสของคนนั่นเป็นทาสของคนนี้ไม่ใช่เป็นคนไทยไม่ใช่เป็นอิสระคนไทยเนี่ยหมายถึงว่าเป็นทิ้นดินแดนของคนไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครจักเถื่อมาและจิตใจของคนไทยกอเช่นเดียวกันไม่ยอมให้กิเลสที่สกปรกนั้นป ก, กคลุมได้จึงเป็นคนไทยจึงเป็นอิสระคําว่าอิสระในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอยากทําอะไรทําไปตามชอบใจ อยากพูดอะไรพูดไปตามชอบใจอันนั้นโบเม น, น, น, นคำว่าตามใจความผิดตามใจจิเลสคําว่าอิสระนี่หมายถึงผู้มีระเบียบวินัยอย่างที่พระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเป็นอิสระทแท้ๆจิตใจเข้าถึงความพ้นไปจากความเป็นทาตของความลงผิดจึงเป็นอิสระถ้าหากว่าความลงผิดยังครอบงำอยู่โบเป็นอิสระนนัน เมือนกับเป็นการเปิอดอบรมที่ได้บอกเลยว่าเราต้องเดินเส้นทางไม่ลองดูแต่ทางเก้าก็ดีแล้วที่เราถลิเดินมาทางไม่เป็นหลักวิชาการสั้นๆทางสั้นๆและกรทางที่เรียบเตี้ยนดีทางเก้านั่นคือทางโค้งๆยาวไกลบางทีอาจจะไม่เรียบร้อยกับได้ทางอาจจะขรกขระเพราะว่าเป็นเรียนลอกแบบมาจากในประเทศอินเดีย คนไทยจะแปลภาษาอินเดียนีจะท้องตัวขนาดไหนก็ยังไม่ถูกเพราะว่าจำนวนเสียงจะเป็นอักษรต่ำอักษรสูงนะอักษรกลางหลวงพ่อบ่งบอกและตัวหนังสือจะเคลี่ยนกันไปรถทันทีเม้สมมุติหลวงพ่อเองคนเดียวพูดอย่นี้ก็เช่นเดียวกันงานโยมจะตีความหมายคํำพูดของหลวงพ่อหลวงพ่อพูดอยางนั้นเป็นอย่างนีน้อาจจะเพี่ยนไปจากคําพูดหลวงพ่อก็ได้เพราะหลวงพ่อพูดด้วยความจริงใจนี่บอก วางแผดไว <c oughs> เรื่องวิธีการเหล่านี้หลวงพ่อกระเสือมมั่นในตัวหลวงพ่อเองญาตที่เพื่นการทองเสือมั่นในการการทำของท่านเองดังนั้นท่านก็บอกไว้เมื่อกี้นี่ว่าญาติโยมอาจจะฟังจําได้บางคนอาจจะจําไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะจําได้บางคนอาจจะ จ, จําไม่ได้ที่เราไปเปิดอบรม ตามอำเภอและจังหวัดต่างๆหรือหมู่บ้านตำบลต่างๆถ้าส่งองค์เจ้าก็ไปอดไปประสบการณ์นะท่ไปดูแผนกาลออกมาก็ทําเหมือนเดิมอแสดงว่าไปดูด้วยตาซื่อไอ ป, ประสบการณ์ด้วยตาซื่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากเราไปดูแผนการไอประสบการณ์ซึ่งในบุคคลก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างที่เื่อนจทรองว่าเมื่อกี้นี่ว่ะ สำหรับพัฒนมในการเปิดอบรมให้ญาติโยมและเพื่อนพิสูจน์สเณีเข้ามาพิสูจครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นบางบุตรบางต่อนท่านก็จะทำตามอุดมการของท่านก็ต้องเป็นอย่างไรบัดนี้พวกเราเป็นผู้มาปฏิบัติก็ต้องคอ่ค อ, ยคอยฟังดูจะมีเม็ดหนักเบาเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นการิทองนะตัอตอวอาตมาไม่ใช่เป็นการิทองนี่คนล็อกคนกันญาติโยมก็เช่นเดียวกันเราต้องเอาอกพิสูจ พิสูจน์ได้จริงแล้วก็ได้ขว่มจริงมาพูดอันนั้นเออมีขว่มกล้าหานแทน้บางคนกล้าระบานแล้วก็มีนะพานเนี่ยบ้า น, านาหลวงพ่อมีพากล้าระบานสําเร็จบุญดีถ้าเป็นเด็กแม่เหล็กเดียวจริงจริงเรตีจุกเสียมมีพาเป็นเล็กแข็งบาบาดแล้วก็บรรทัดสั่นได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเหล็กลืมอมแบบ น, นี่ยไม่จีจุกก้าขนาดใด ให้เป็นเล็กดีๆกับเป็นฟันขยำอ้อนอยูอ่ในสันเอ๊ะแกบานบม่มีถ้าเป็นเล็กก้าเอาเนี่ยเอ๊ะบม่มีมีตะบานถ้าคําบบ้านกับฟันได้ดีมันเป็นอย่า ง, น, างนั้นการฟังญาติโยมก็เช่นเดียวกันพระทรงองค์เจ้า ก, ก็เช่นเดียวกันฟังให้เป็นและก็ น, นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องการแก้ไขาตามเพลนว่าเมื่อกี้ที่ญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจ หรือพระสงองค์งเจ้าอาจจะไม่เข้าใจตามอุดมการของท่านการสั่นจะแยกกันผู้หญิงสั่นพอนหนหมดหนึ่งพระกับโยผู้สายจะสั่นหมดหนึ่งมาสั่นทานวันในขณะช่วงที่สั่นจะมีพระเป็นผูผ้นำสั่นผู้หญิงทางชายโยผู้ชายก็จะเป็นพระผู้นําสั่นเมื่อสั่นเสร็จแล้วก็จะมีพระที่เลี้ยงที่ไปสั่นกับผู้หญิงนะ่ะ จะให้โอวารและแนะนําในระยะช่วงนั้นใกล้ผ้าส่งองค์เจ้าผู้ต า, ายก็จะให้โอวาดหรือแนะนำในช่วงนั้นนอกจากนั้นก็จะไม่มีรอยสันตามประกาดเข้าใจตามตามาตมฟังและผู้อื่นอาจจะฟังไปต่างกันมี่การฟังตีคมใหม่อาจจะผิดกันเลน้อยไปเลยวันนี้ตอนเวลาทําวัดนั้นท่านว่าอาจจะมาทํำร่วมกันก็นได้หรือบางทีอาจจะไม่ทำรนวมกันก็นกนได้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ และถ้าหากมีครูบาอาจารย์ผู้เสี่ยวสารจริ ง, รงๆงั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงการบรรยายแต่าาาทัศนธาธรรมมันมันตืนเรื่องหลังอย่างมหันต์มาเถือนเถือนมันเป็นอนาคตนะไม่รางันต์มาเถืเอนแต่ในปัจจุบันนี้อุหมงการ์ของท่านท่านจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปด้วยความเห็นของท่านและคณะสงวนสนามไหนที่เขาจะตัวลงกันเอาไว้แต่ตัวหลวงพอแท้ฮะยุ่ไปเรื่อยๆไปแล้วเป็นคนสะลายไป วันนี้ก็เลยจะแนะนาเลยว <c oughs> ิธีปฏิบัติที่เพิ่นกันทองวานนี่คงจะเป็นวิธีสร้างจังหวะเป็นวิธีเอาความรู้สึกตัวเข้าไปวัดต่อยความรู้สึกที่ตรงทรงจำมานะให้หมดเอาความรู้สึกไม่เข้าไปวัดวัดพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือขึ้นให้รู้สึกตัว ให้บอกเคลื่อนไหวโดยยุติใดให้มีผมรู้สึกตัวทางทิศตะวีเอาไว้ก่อนความหมายคงจะเป็นอย่างนั้นตามตามฟังแต่ไม่เข้าใจความหมายเนาะแต่ว่าอุดมการอาตมาฟังตามอุดมการณของอาตมาฟังคําพูดแล้วจะเป็การเปลี่ยนแปลงไปบางคนเคยพราณนาพุทโธสัามมาอรหังของนุปหนึ่งสองจักรหรืออาณาปานสตินั้นอาตมาบ่ได้ยินคงจะบพักอาณนไปก่อน คงจะให้ทำวิธีนี้ตามความเข้าใจของอาตมานะแต่คนอื่นอาจจะได้ยินอย่างอื่นกับบรุษจักเพอเรานั่งอยู่ด้วยกันเนียความคิดคนบ็เหมือนกันก็จะว่านาน า, นาคิดต่างควมคิดคนบ็เหมือนกันในประเทศอินเดียพระโพลิเจ้าสอนเอาไว้ในประเทศอินเดียแล้วคนอินเดียก็ถือศาสนาอินเดียเนี่นก็หลายคนที่อาตมาบวชเป็นเจ้าหัวหนุ่มหกเดือนอุปสาไว้ฝังพระภูริทิตธรรมจารย์ ยื่นมาบวชหู่นี้เป็นดงตาเนี่ยจ้ายศขณะเผื่เสียงขานพระคูวิสิสมตมจานคนเก่าพอเจ้าของได้ให้เพื่อนเป็นองค์ปราช์ให้เป็เมื่อเป็นพระนุ่มก็ต้อบงบวดกับเพื่อนมาบวดเป็นโวงตาเนี่จะไปบวชกับเพื่นอีกซึ่งเนี่ยเป็ น, นเพราะว่าได้ถือได้เคารพนับถือเพื่นไว้ทั้งว่าในประเทศอินเดียนั้นมีหลายลทัทธิมีหลายวิกายมีหลายอาญานการสอนหลักทฤษฎีไม่เหมือนกัน เนี่ยฟังไว้มันดีฉะนั้นเขาที่ไปจับขอ้อันใดอันหนึ่งมาบางทีอาจมเป็นคาสอนของพระเจ้าก็ได้บางทีอาจจะเป็นคาสอนข อ, ของพุจจเจ้าก็ได้เพราะมันปนกันในประเทอินเดียมีลอยแปดอาจารย์ลอยแปลัทธิสอน บ, บุ่งเหมือนกันจานวนลอยแปดคนนั้นหรือว่ามป็นลอยก้ากับพระพเจ้ากับบุบบู้จักายถาวรอยแปดลัทธิลอยแปดอาจารย์ลอยแปดคน จำนวนร้อยแปดคนถ้าเป็นร้อยแปดคนกับพระพุทธเจ้าก็าากเป็นร้อยแปดคนถ้า เ, เป็นร้อยแปดคนแก้จำพวกและที่อื่นนั้นก็เป็นร้อยเก้าของพระพุทธเจ้าซ้อนไม่เหมือนกันแล้วคํำพูดนั้นอาจจะพนกันอยู่ไหนนะั้นถ้าหากจํานวนร้อยแปดคนนั้นกลมเห็นข้าเจ้าว่ า, าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความรู้หลักวิชาการปฏิบัติแก้ปัญหาตัวเองได้จริงร้อยแปดคนเขาต้องมาปฏิบัติตามแบบพระพุทเจ้ า, าพระพุทธเจ้าก็ คิดเช่นเดียวกันถ้ า, าว่าจํานวนร้อยแตกคนนั้นเป็นหลักวิชาการจะแก้ปัญหาตัวเองได้ทราพุทธเจาก็ต้องปล่อยหลักวิชาการของท่านพอต้องไปศึกษากับร้อแตกคนนั้นได้ตามความหมายของอาตมาฟังอาจารยองวานี่นะเสือตัวเองคิดเอาเองหรอกอันนี้เแต่บอกคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้จักดังนั้นเรามานี่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเพงเพรว่าอย่าเสือทันทีและอย่าปฏิเสธทันทีการโพสต์ว่าสำคัญ อาตมาก็จะเข้าข้างนี้น้อยหนึ่งการพู ด, ดว่าสำคัญร เ, รเรืงาาไหนเพราะว่าเรียนจบพระไตรปิดกซื่งว่าพระอะไรพระโพธิละบาลปาวันคำว่าปัสสานั่นคนว่าพระตุศระโพธิละเรียนในประเทศอิเดียผู้หนุ่มพระบวเห็นหอกโบได้โบได้ไปเห็นยกนั้นเรียนจบพระไปรปิดกแตกสาน ได้ยินว่ารพระตุสสะโพธิละมาแล้วคนกลัวเลยยานไม่สามารถที่จะโต้ต่อได้เพราะว่าแตกสา่าในพระกิฎกไอเทศใจคนกลัวทั้งนั้นคันเสวาว่าท่านพูดผิดก็ต้องฟังพูดถูกก็ต้องฟังสั่งไปโลดกันเลยบวกคอยถูกต้องบัด น, นี้บุรีผู้ใดยื่นต่อต้า น, าานได้กับิดเหตุว่าเราขี่ไปต่อโต้วาทีกับพระพุิธเจ้าเรียกว่าสมนะโหดมนี่แหละไป อจดีพระพุทธเจ้าทําบ่มีวันไหวต่อใครทั้งหมดไปแต่ไปกล้กาพอดีกล้ากําลังกล้าบ้วยเนี่ะมาแล้วเรือกรรมพีเตา่าพระพุทธเจ้างัดให้เลยทันทีคําวันงัดก็หมายถึงว่าให้แล้วมาแล้วเรือกรรมพีเตา่าพระพุทธเจ้าผ่าุ๊ดสาโพธิราชกันเลยเอ๊ําำไงเราไม่ได้พูดอะไรจะว่ากรรมพีเต้าให้เหาราเนาะกัก็เลยไม่ได้ถามก็เลยมีการสักไซไลไตถามกับไปเรื่องอื่น พอเวได้เวลาแล้วเขาจะกลับบ้านนะสักวันว่านอุบาอาจารย์ร้อยฟังพอได้กล้าลงกีลาแล้วบันนี้ก็อ้าวได้เวลาจะกลับบ้านแล้วหรือไบรแลนด์เปาไปวะอีลาบนันนี้มุ่งเรียกว่ากำพีเปาคันาา น, ออนี้ฟังก็ไบรแนเ์เปาอีกขึ้นละอ้าวแม้หล่านี้เปาทั้งหมดเลยไม่มีเต็มเหมืนั้นบันนี้ก็ให้ญาติโยมฟังเอาไว้ทำไมมาพูดว่ากำพีเปาทำไมพูดว่าไบรแนด์เปาเพราะมันไม่มีตัวหนังสือไบรแนเ์เปาหนี่งกำพีเปานึ่งกำพีบุมี มีอย่างมีแต่คําาีซื่อๆบ่มีตัวหนังสือบ่มีรักษเอัาสนอะไรความหมายของอามารย์มาพระพิจักขุนจีวาจังสันการเรียนทรงจํามาจากคําพูดของคนอื่นอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้เพราะในตัวไม่มีใช่าหมยาอวดดีันแล้วกับคนมีดีเอามาวิา่ง ม, มันหนักผิดกันคนอวดดีพูดซื้อคนหนึ่งบ่มีดีในตัวคนมีดีเอามาพูดเขาต้องกล้ามีความสามารถจึงเป็นเด็กเหนียว ถ้าคนอวดดีพูดดีดีในตัวเขาจะเป็นเหล็กแข็งแก่บานซันไม่ได้ดีถ้าคนไม่กล้าพูดแบบเนี่ยและยังไม่กล้าสอนก็เป็นเหล็กเต้ <c oughs> เข้าใจจะเป็นเหล็กโบดีใส่งานโมได้เป็นอย่างนัง้นที่อจะมาฟังอยู่ใ น, นกก บ, บันี้พระโอรสก็เลยกลัดบัดสอนลูกศิษย์ได้เป็นพระราหัตมาเป็จนจํานวนลอยลอยพันพัน เป็นพระอารหันต์ก็มีโโาาาเป็นพระโสดาพระสกิทาฮาพระนราแมะได้ตามนิสัยของคนฟังแตตัวเองก็เลยไม่รู้อะไรจะจําเพียงแต่คำพูดคนอื่นมาพูดนี้เขาว่าคนอ้วนดีพูดไม่ได้คนดีมีพูดไม่ได้ดีดีในตัวและพระลูกศิษย์ลูกหาสังก็เลยได้เป็นพระเดียบุคคลจําเป็นต้องมาขอเรียนกรรมฐานจากลูกศิษย์ลูกศิษย์กไ็ไม่ไม่กล้าสอนเพราะว่า ในฐานะเป็นอาจารย์แล้วถามลูกศิษย์ไปทั้งหมดไปพบกับเนยน้อยสุดท้ายแล้ว <c oughs> เนยน้อยองค์สุดท้ายก็เลยเสอนให้ถ้ า, าอาจารย์ที่เสื้อฟังผมนั้นผมจะสอนถ้าผมบอกยังไงอาจารย์ต้องปฏิบัตินําทุกอย่างเออถ้าเนยที่สอนอาจารย์อาจารย์จีเฮ็ดนําทุกอย่างถ้าหากว่าเนยมีความสามารถสอน ผมมีความสามารถที่สอนได้ภาคว่าอาจารย์ปฏิบัติตามคำพูดของผมว่านันพิจารณาได้หรือยนี่เลก็เลยบอกอาจารย์ให้ห่มจีวรนุงตะบวงเรียบร้อยแล้วไปแป้งตัวให้เป็นยศสมมติเอาหน้นี่แต่ตมาโมได้ไปเห็นแป้งตัวให้เต็ยมยศไปแป้งตัวเต็มยศกับไม้เท้ห า, าห่มจีวรแล้วสังขารใส่ไปด้วยรับมัด อ, อกนึกยังไงกับโบเห็น ไตหนันเลยอ่ะเน้นสอนกรรมฐานเลยลืมวัดหรือตัววัดมันอาจจะมีของน้ำคือยังวัดสนามไหนของนี้ก็ได้พอดีไปก็เอาอาจารย์ลงไปน้ำ ม, มาเลยลงไปงามหนาวไ่อยากลงเนี่ยขนลงน้ําลงไปลงไปน้ําก็จุบหัวเข้าขึ้นมา้าดีเปียกก็ต้องเือขึ้นมาบบเปียกเปียกเออเ ป, กกเปียกกันโบให้เฮืออาจารมาว่าหลว่าโบเปียกว่าน่ะเปียกก็บโบให้เือขึ้นมาลงไป ลงไปขึ้นมาน้ำเปียกพาเข้ามาแล้วพอแล้วว่าเนเนี่ย่อยากหลงได้แบบ น, นี้ยังบ่พอลงไปนี่ลงไปน้ำขึ้นมาเพียงกลางขามันเปียกขึ้วมันเย็นนด้มั น, ม น, มนหนาวพอแล้วว่าเน้นเนี่ยยังบ่พอลงไปเนี่ยจนพอใจของเนนลงไปลงไปเพราะได้ก็ บ, บ่พอจน้าเปียกเมดแล้วก็พอใจกับที่ผู้ที่ชี้เป็นผู้สอน่ะอาจารย์ขาวาได้เนื้เนียนขาวได้พอใจแล้วก็เออกลับคืนได้อาจารย์ น, นั่นแหละ ขึนมาก็เปรี้ยงหมดแล้วแบบนี้ท่าตัวกันหนาวอะไเว้ยเอ้าเน้นสอนกรรมฐานเลยอาจีพสอนพูดพังก์็ได้หรือว่าจิบโวยสอนพูดพังก็ได้เพราะอาจารย์่เป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วบางทีเน้นอาจีพคิดอ้อยหนาวอาจารย์เนี่ยจะหนาวมากต้ไปผัดผ้าจะกันรับหนังค่อนมาสอนกันอาจจะยนวานสกันก็ได้ด้วยว่าหนาวก็ทรมานเอาก็ได้เพราะเนบนเปรียกได่เองกันเลยอาจารย์ท่านสมมติก็มีโพลจู่ปวกบ้านหลกออ เรียกโผลจุ่มโผลก็ได้จุมพวกก็ได้มีจุมพลตัวนึ่งหรือจุมนึ่งกับจุมพวกจุมนึ่งเข้าใจไหมจุ่มโผลจุมพวกเข้าใจไหมไม่น่เข้าใจไหมอ๋ะจุมโผล่มันเป็นโนนเป็นเป็นโนนนะเป็นพูเป็นเป็นจุมพวกนะจุมพวกจี่ตามทยองตานพวกนานะยืดํามดินดินรับน้ำมันเป็นโนนขึ้นน่ะเป็นเป็นโนนแล้วก็เอ้จุมโผลจุมพวกบ้านหลวงพ่อเข้าใจแล้วนะ อ่าพรอที่เข้าใจประเด็มีจมพรจมหนึ่งแล้วก็มีรูอยู่ห้ารูก็มีรูอยู่หกรูแล้วก็มีเฮี้ยอยู่ไหนตัวหนึ่งมีเฮี้ยตัวเดียวกท่านและจะจับเฮี้ยโดยวิธีเดาอาจารย์นั่นท่าอาจารย์ปเป็นผู้เรียนคุมรูมากแล้วก็เกิดปัญญาวไว่าอนีธนะท่ า, งงานง่ายกวาท่านก็ทํำยังไงครับห้าหกอุดแม่ น, นทีเดียวท่านดันได้ดีอุดอุดกับอัดอันเดียวกันนะบ้านหลบเขาเรียกว่าอัด หลวพอมาเพิ่งเข้าใจว่าอุดเนี่ยเพราะว่าคนบ้านฝั่งอุดโออุดกับอัดนี่เป็นเดียวกันหรือว่าจําได้เพราะว่าคนในกรุงเทพอาจจะว่าอุดนะบ้านหลวงพอเรียก ว, ว่าอุดบวกเข้าใจคือคนบวกเคยประสบการณ์มาอันมาอัดก็เข้าใจรถอัดไปวััดเข้าแน่นี่นะอุดหา้ารูเจ้าใบรูเดียวแต่อุดแน่นๆนสนะิจะทํายังไงอาจารย์อุดห้ารูเนะนั่งขออยู่ปากรูก็ได้ไม่จับคอนก็ได้ พอดีเฮี่ยมันออกมาหายใจข้างนอกแล้ว่ังออไปดันห้าหรูน้ําดันบ่ได้เพราะมันอุดไปดีแล้วมัน่ลยออกมาหูรูที่ไม่ได้อุดนี่เลยออกมากระจับขอหลดลึกค้อนตีข้างกระต่ายอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ต้องพูดเรื่อตาหูจมูกลิน้นกายเอาใจที่เดียวก็เลยอ้อใจที่นี่ทา่านกำลังกระตอเลยแสดงการโพูดนั้นมากที่สุดแต่ไม่รู้จัก่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจุดใดไม่รู้จัก อาตมาพูดกันสั้นๆแม้เทียงหนโมตจักคนก็ไม่เคยรู้ตัวอาตมาเองก็ไม่รู้รู้รู้ยังไงรู้อย่างไม่รู้ไม่ได้รู้อย่างผู้รู้อาตมาว่าอาตมาเองไม่ได้ว่าคนอื่นอาตมาบวชเป็นเนนมาแค่เป็นเด็กๆมาก็เคยเข้าวัดเพราะบ้านอยู่ใกล้วัดนนโมตจักนี้โบต้องเรียนอาตมาได้ถึงเมื่อเป็นเด็กพอไปเล่นน้ํากับเพื่อนแต่โตน้ํากับเพื่อนก็ต้อง เรานมตัดสาบานโน้ม ว, ว่ากับจมโ น, น, น้มตัดสาว้าวคือกันจมคือกันมันก็เลยเข้าหูกัเลยได้เลยพอเดืมีไม้ต้นหนึ่งงอยดิีนน้าเลยสิเด็กน้อยรุ่นใครว่ารุ่นนั่นก็ต้องไปพร้อมรุ่นย่ายก็ต้องไปพร้อมดูย่ไปโตนที่นั่นเนะ่ะขึ้นไปแล้วก็ไปหงอยฮันก็จมน้มตัดสา ก, ก็เลยตูมลงเลยโนมตัดสาพัคว่าโตก็ตูมลงรถยโ ต, ตน้าลงเงิ น, น, นไปคนน่าขึ้นไปกไปับแปว่าน้มตัดสาก็ตูมลงกันอะ แต่บาทสุทตตะกิ้งเส้นหลังกัจามิว่าท่านนามุตตะพระคัวโตรกริงสนลังกัามิโต้ลงแต่ไม่รู้จักมาบวชเป็นเนกวาไดนา ม, มาุตตะแม้กระทั่งเป็นนุ่มเป็นเจ้าหัวนุ่มกับวชก็วาไดนมตะโมบรูจักนา ม, มาุตตะถ้าพูดจะมีอ้าหลวงตาในว่าผิดหลักแล้รก็เยวะไปนามุตตะพระคะมภโตอรหะโตสามาสมุทรสานั่พ น, น, นพูดได้เป็นบุรุษจากโมาย ก็มามาเป็นเินเนี่ยอาจารย์สอนให้นโมตัสสะปะคะวะโตนี่เป็นว่าขอนมน้อมนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตแปลว่าโชคดีอรหะโตสัมมาสัมพุทธะรู้เองหเลแต่ไม่รู้จักเปลได้อาจารย์สอนสอนมาอย่างไนก็มาสอนให้นโมตัสสะปะคะวะโตนี่เป็นว่าขอนมน้อมนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตแปลว่าโชคดีอรหะโตสัมมาสัมพุทธะรู้เองมเลย แต่ไม่รู้จักแปลอาจารย์สอนสอนว่าอย่างไ น, นก็มาจะไม่นี่แปลกันนโมตัจจพราะเว่าโจแปลขขนุนอมอาหาัดโจไปสุ ก, กัยจักิเลสัมมาสังกัปตะสรูเพองโดยชอบเลยแล้วอาจารมาไปเบ่งไม่เห็นใครทาานนํานโมสัจจามีเตวาจว่าการพูดลอยคําทําคําอยากให้มีการกระทําให้มากมันอยากให้มีการพูดาแั้วเพื่อจะได้รู้จริงๆ วาเดเรื่ยๆก็ได้อาตมาเคยไปชมหลายสำ น, นักว่ดแต่ว่านโ ม, มตัจารทุกสำ น, นักไปว่ามองด้านการทำมันมันไม่เห็นตรงกับนโ ม, มตจารเลยอาตมากล้าได้อย่างนี้เพราะว่านโ ม, มตจารไปขอขบอนมลดออได้นนยังไงนอมได้ยังไงบุเห็นถามจากเถอม <c oughs> ีแต่ขูดแล้วโชคจะดียังไงและจิตใจจะคัดสกบนไดนบุเห็นบนหม้อจากเธอ อาตมาไปปฏิบัติอาตมาเกิดปมสำนึกขึ้นมาได้โอ้หนหโมตัสสะพระควมภรโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะไม่จ้องพูดก็ได้ถ้าทำถูกอาตมาได้พยายามัำตัวเองหล่อเบ่งกา้าเดินจังคับประดิบเฮียนกับกูบาอาจารย์เอาเข้ากับซอกเป็นสื่ห้ากับศี่สาลงแทบลงไปอันนั้นมันพูด และการกระทำนะอาจจะโบเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้พูดคาระเบญจักขประดิษมาอิมายถึงอะไรอาจมาบูลู้เตเรียนดังนั้นละเทศของในประเทศเอินเดียอาจจะไปสวยจับเอาเศรษฐกิจอันที่ผิดก็ได้หรืออาจจะไปจับเอาเศรษฐไม้ก็ได้โดยจะไปจับเอาของเร็เวๆมาปฏิบัติก็ได้บางคนอาจจะไปสวยจับเอาเพชรที่มีราคามามันออกมาก็ได้นี่ตียานที่ว่ามันหลายละที่หลายมิายจึงว่า นิสสาทิฐิกับสมาธิทิฐิ ị, ใครจะมาตัดสินให้เราไม่ได้เลยคนอื่นจะมาลู่ตัวของเราเนี่ยดีเหนืออาตมาไม่ได้เพราะอาตมาลู่ดีตัวอาตมาคนอื่นจะลู่ดีเหนืออาตมาไม่ได้อย่างญาติโยมก็เช่นเดียวกันญาติโยมต้องรู้ตัวญาติโยมดีอาตมาจะรู้ดีเหมือนญาติโยมเจ้าของคนนั้นไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันอาตมาจะรู้พระสงฆ์องค์ในี่ยดีเหมือนตัวท่านไม่มีตัวท่านเองจะเป็นคนรููดีจริงหรอ สัมมาทิฏฐิกับมิสัททิฏฐิเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เองพี่วะดากดอีทธิหมดหนึ่งจะนํามาเล่าสู่ฝังเพื่อว่าทําของเขาใจกัาก่อนจึงจะไปปฏิบัติจึงจะไม่เกื้อเคนพระพุทธเจ้าเดินมาจากเที่แหลหัวตมาบุูุ้จักแล้วในประเทศอินเดียพุ น, น่ะตัดทลุโอมาแล้วไห่ไม่ยังว่าท่นได้สอนภัยจากทั้งหมดเลยมาพบกับนักบวชคนหนึ่งซื้ออุปการสีวกวัสส์นักบวชคนนี้ก็เป็นผูแ้แสดงหาธรรมะ เสแวงหาพระพุทธเจ้าเสแวงหาทางดับทุกข์พระพุทธเจ้ากระตัะ้งสรุออกมาใหม่ๆดับทุกข์ได้จริงไม่มีเสือเลยพระพุทธเจ้าเพราะว่าโลกไม่เกิดแล้วพระพุทธเจ้าดับเสือโลกได้ดีนักบวชคนนี้เห็งกันน่าเรื่อมใสว่าท่านอยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนเรื่องอะไรอันนี้พูดภาษาอันนี้คนจิตฟังได้ขันว่าตามภาษาบ้านลูกพระแทบัววังสีเจ้าอยู่สำนัก ผู้ใดจวีวรกันมันจีฟั ง, งายากพระยศก็เลยบอกว่าเราไม่ได้อยู่สํานักไหนไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครเราตัดจะรูเองโดยชอบนับวกคนนั่นก็นแกลบลิ้นให้เลยไม่ฟังเลยอันนี้เสื้อไม่ฟังเห็นว่าพูดไม่เพะไม่ฟังก็ผิดแบบ น, นี้ผ้าโพธิละบลานเป้าฟังเลยเสื้อรถก็ผิดเแหนะมันงไปไหทั้งสองอย่างในี่จีวะอย่าเสื่อ และให้พิสูจนถ้าปฏิเสธบุเสื้อจริงๆก็ผิดถ้ารับโลดจริงๆก็ผิดเนี่ยปฏิเสธจริงๆก็อุปกาเสีวก็ไดหลักธรรมะเลยคนเสื้อโลดไปเนี่ยในประเทศอินเดียปุณณนะบนัน้ลูกสิทธ์ของพระโพธิละบาลานเป้าเนี่ยนนะเสื้อโลดว่าท่านเป็นผู้ลูกไม่ใช่ค น, นครู้นะวะอันนี้ก็ให้อาิิตฟังและพิสูจนลูกสิทธ์ลูกหาได้เป็นพระเดียบุคคลตัวเองจึงไม่ได้เป็นเพราะอย่างเพราะตัวเอง เือโลดว่ามันเกลีนะไรสกนเพราะบบได้ปฏิบัติบบได้ลงมือกระทําที่อาตมาจะมาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจมือนี้ก็เพราะว่าเราทุกคนมานี่หน่อยจะแงะทางกันแล้วการเดินทางใหม่ๆแต่ไม่ใช่ทางหม้นะเป็นทางเก้าจริงๆแต่เราลืมซะลืมเดินทางสายนี่ก็ไปสร้างทางใหม่ขึ้นมาเดินตามทางไม้นึกว่ามันดีแต่บางทีอาจจะเป็นพิษก็ได้ ทำามที่เป็นทางเก้าอาจาพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้ทุกคนมีสติกำหนดรูในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ส่ห น, นึ่งยืนสองเดินสามนั่งสี่นอนให้มีสติกำหนดรูอาอันสติกำหนดรูกับความรู้สึกให้รู้สึกตัวนี้ควมเดียวกันนะหมดเส้สนสนและควรมันเนยแต่วาต่างกันที่ซื้อควมหม่ายอันเดียวกันแต่เท่านั้นก็บอกพอว่า ให้ทุกคนมีสติกำหนดรู้ในอริยาบทย่อยคูเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติรู้แต่ว่าดิบุตรย่อยแม่ติตาหายใจเกินน้ำไหลายเคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแล้วขวามือตาหลับตาให้รู้พระพุทธสอนอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สอนการเมือคนเข้าไปแตต้องนั่งขดธรรมะพุทธบอออกเสียงเลย อาตมาทำอะไพุโทโธหมายถึงนึกเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจวนะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าจริงมาอยู่ในใจเขาได้อย่างไงคนละคนกันแล้วเนี่ยมันนีเป็นอะไรบ้านี้ภาวนาไปอ้หลายเรื่องบันต้องพูดก็ได้เนี่ยอันนี้แสดงว่าเราสร้างทางใหม่ขึ้นมาถ้าพระพุทธเจ้าเหตแล้วได้สมาบัติแท้ทุกคนอยู่นี่ได้ฟังถ้าเป็นคนเคยเข้าวัดอะแต่บเคยเข้าวัดคนกรุงเทพในเรียนเนี่ย อตาตมาพูดควมจริงใจอันปอซี่นี่คือี่โมพีหนอกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมหนึ 1, ่งมสองมสามถึงมหกและพูดเรียนดีขึ้นแต่ก็ต้องเรียนปริยาตีโโหเอกไปอย่างนั้นอยู่ที่นี้อตาตมาเข้าใจว่าจะมีปริญาเอกหลายคนอยู่นี่เป็นอย่างนั้นแต่ปอซี่นี่แคบบุพการทั้งมัดมาเดียวแต่ตัวอตาตมานี่บุคืได้เรียนหนังสืออเขียนหนังสือไทยบวลบเป็นอ่านหนังสือไทยกับบวเป็น เสียงจึงว่าพูดให้ถูกตามอักษรตามอักษรถูกตักเป็นีนเมื่อพูดอย่างซื้อแล้วญาติโยมอาจจะเข้าใจผิดกับคําพูดของอาตมาจึงไปสร้างทางไม่ขึ้นมาบั น, นีนทางไม่ทำไมจึงว่าทางไม้เพราะไปเจ้าเหตุแล้วสมาบัตแตกบ่ได้คนทุกออกมาอดเข้าอดน้ําบ่พูดบ่คุยกันลมหายใจบ่ได้คนทุกบ่เมีนทั้งมดืดไปึงเข้าวนางสุดสดา และบำเพ็ญทางจิตจึงได้ตัดสัูทุกคนจําได้ฟังอีกเิบทหนึ่งสั้นๆว่ า, าพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าทำเหล่าใดเป็นไปพระความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติว่าอันนี้เป็นเสียงภาคกลางนั่นเองแต่ว่าทุกบุคคลจักนั่นเนี่ยเพิ่งว่าอย่างนั้นเราก็ทําอยู่ทุกเมื่อเดือนนี้เนี่ย ทำบทใดภาวนาสี่อาตมาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวบ้านอาตมาว่าเจ็บเอวเจ็บเอวทนเอาเนี่ยคันภาวนาพุทโธกป็ปวดหนอปวดหนอปวดหนอเพราะว่าคันภาวนาพุทโธก็ว่าเวทนาหนอเวทนาหนอเอาอย่างสัน้นเลยว่าอันนี้แสดงว่าเจ้าของสร้างขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเบียดัวเองนะ่ะเบียดัวเอ็นเจ็บแค้งเจ็บขากระบกหิกบกปีน ตามันเป็นหน้าที่เห็นหลับมันไว้ฟืนธรรมชาติมันอันนี้แสดงว่าสร้างฐานใหม่ขึ้นมาบ่ได้สร้างฐานพระเจ้าสอนอันนี้แต่ว่าอาจจะถูกเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไรู้อย่างไม่รู้เราเป็นรู้อย่างผู้รู้อันนี้รู้อย่างไม่รู้รรนนรรเขาทขําเขาทําตามเขามาเท่านั้นซื้อตัวเองยังโบได้พิสูจน์อันไหนทั้งมดัดเขาหลับพระโพธิละเวลาเป้ า, ปาอันเนี้เป็นอย่างไรแบบนี้โอ้ยราบากเกินไปแล้วโบทํำละเนี่ยเขาหลับดิว้ว ฝังพระพุทธเจ้าแล้วบสถังโบสซื้อเลยมันเป็นอะไรสันอย่างที่นํามาลอยให้ฟังจริงวะทำเราใด้แบบนี้เป็นไปเพื่อครัวไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวิไนนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยควรศึกษาและควรปฏิบัติเอาไปแก้ปัญหาตัวเองอะไรางนั้นวะแค่ยังไดแบบนี้เขาจึงจะเข้าใจว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อครไม่เบียดเบียน ตัวเองและคนอื่นยังไงมันเจ็บแค่เจ็บข่าวกับพิกับพี้นแล้วบัดเนี้ยแต่เห็ุจังหวะนี้แล้วตามเป็นหน้าที่ดูให้มันเห็นบรต้องหลับมันมันฝุ่นธรรมชาติศึกษาธรรมะกับธรรมศาสแท้ๆอันนี้อาจจะมาพูดเรื่องอาจจะมาได้เนี่ยถ้าหากว่ได้ศึกษากับธรรมศาสมันอาจจะไม่รู้ธรรมศาสจริงๆเพียงเรียนทฤษฎีนั่นเรียนทรงจํามาได้มาได้เราอยากให้ทุกคนพ้นไปจากทุกตัวเองก็ยังพ้นไปไม่ได้ ไปสอนคนอื่นมีพ้นไปโบได้บางทีเขาพ้นไปเหล่ากับบลูเขาบบพ้นเหล่ากับบรูดังนั้นเราต้องเรียนสะกอนตามหลักวิชาการทฤษฎีใดๆก็ตามเราต้องลงมือทํามาได้รับประโยชน์ค่าคุณของสิ่งนั้นแล้วจึงเอาสิ่งนั้นมาสอนบทนี้ก็เลยมาว่ากันอีกตื่นเธอหนึง่งตามครูบาอาจารย์ร้อยฟังว่าสับทั้งหลายท่านคือเราตถาคต ขัดทั้งหลายเหมือนเราถาคาคดคือจังใดเมื่อยจังใดคือกันกับพระพุทธเจ้าเมื่อบทนได้รู้เป็นปุถุชนธรรมดาเนี่รักษาศีลให้ทานทํากรรมฐา น, ท, น, าฐานท่านเหตุมามาบ่าได้เป็นพระพุทธเจ้าจังว่าทำข้สมบัติแต่ลูปสารซีอรุปสารซีบ่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามาอดเข้าอดนา้ากั้นลมหายใจบ่พูดบ่คุยอ น, นั่งกับบ่ได้ตัดสู่บ่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ก้ปัญหาตัวเองบ่ได้ใช่ไคือกันเขาก็ะเด้งทุกคนมานี่ต้องใช้ใสบาต ท, ทุกคนหนูเคยได้ตักรบาดไหมในไทยทุกคนมันต้องถามหลายคนนเลยแล้วก็ได้ให้ปินโตทุกคนแล้วก็ยารักษาโรคเสื้อผ้าแม่บัวมากกะน้อยได้ถ่ายมามดทุกคนเรื่องนี้อันนี้พูดขดจินให้ฟังอันนี้แสดงว่าเราได้เห็นมาแล้วแต่เราไม่รู้ควาหมายมีแค่พูดแค่คุยกันเท่านั้นเองี่บนันไดการต้องไปรักษาศีลอาตมานี่ วอลกจิจว่าโอ้ยหลวงตานี่พูดมาอายุสิบกว่าปีบ่ชเป็นเนนซึ่งเอกไปกับเป็นหนุ่มนุ่มน้อยรักษาอุโบสถศิลมาแต่พุทธบูชาศิลป์ธรรมอัตมาบู้จักตานาที่นาถึงอุจาสาตาลนุนี้อัตมาเว่าเปลี่ยนบูักมาบวชเป็เจ้าหัวหนุ่มหกเดือนรักษาศิลป์สองร้อยยี่สิบเจ็ดบูชาอัตมาบูชาบูชาเท่ คนอื่นอาจจะรู้จักอันนี้แสดงว่าเรียนมาซื่อๆโบลูจักจริว่าณโมตสาสมาจิงโบลู ร, รู้หักโบลูเนี่ยรู้อย่างผู้ไม่รู้บัดนี้พระพุทเจ้าสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยเราผู้เป็นตถาคตถึงไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ถก็จะรู้จะเห็นจะเป็ น, จ ะ, นจะมีอย่างเราตถาคตนี่ถึง บัดนี้เราก็เลยบมได้ทําซักก็เลยไปทางใหม่โมได้ไปตามทางที่พระพรุทธเจ้าวานั้นพระพรุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทําทางจิตที่วัฒน์โมตัดส่าก็เลยมีแต่ว้าซือๆทําพุทโธทำโมอรหังกระทำสร้างมีแต่ว่าซือๆโมรู้จักจุดหมายไปทางอรรมโมรู้จักเลยอายุสี่สิบหกปีแบบนี้เอาการเลยแบบนี้เป็นเด็กดีแล้วบบนี้ได้รู้สึกตัวเพราะการเคลื่อนไหวนี่มากรู้จริงๆ รู้แล้วไม่ไม่เก้อเขินอยวะใครจะพูดจะนักก็รู้จริงว่าได้นโมุตตาขึ้นมาณโมตตาพระครวตโตแปลว่าอหอนุบ้อมอรหตโตแปลว่กากายจักเกลียสามมาสมุทัสลูเข้าใจตามแบบพระเจ้ารู้มาณโมตัสานกพิจงไดจะมาไว้ที่ตรงนี้น้อกไม่ใช่หนี่ยเอางี้บรรดากาศกันเลยว่าบางคนอันเนี้ยบุญญาพวกรหัสผู้เรียนหักเัาที่บางคนก็รู้จักเน้นเนาะบางคนก็นบรรู้จักเพราะไปเบิ่งซื้อเขาว่า ตาเป็นตาฟ้าฟางบริเวณตาที่สะอาดป่านหดึตาฟ้าตาฟางคืออย่างตาหลวงพ่อเนี่ตาฟ้าตาฟางตาผู้เท่ามองอันใดบก็เห็นจิอว่าบ้านหลวงพอมีไก่ตาตูมเลี้ยงไก่ไก่ตาตูมใก่เจ็บปตานี่มันออกไปปล่อยออกจากโลกจากหอกจากหางมันไปนั่งไปยืนอยู่บนทางคนไปไรมันบุกจักเอามือไปต่ะมันก็เต้นออกไปจากนอกทางก็ไปยืนอยู่หันแล้ว ถ้าเป็นใกล้ตาเดียดงใกล้ป่าได้ยินเสียงแฟ่ดเออเกลียนตัวรถเพราะมันระมัดระวังรักษาตัวมันยังเป็นอยางนั้นงว่าคนตาฟ้าตาฟางมองเบืองกับเกเห็นสมมติเขาเด้วยกันจะไดเนี่ยจะหลายคนแต่ว่าอยากให้นับทดลวมไม่จากคนจะได้ไปจากเจ็ดสิบคนแปดสิบคนเนี่ยพอไหมทั้งผ้าทั้งโยม อาจจะบุเห็นในการกราบอันนี้ขออภัยจะสาธิตให้กันเบื้งนิดเดียวครับท่าสงเราก็เหมือนกันผมพูดเยอะเรื่อยแต่ว่าคนได้ยุนที่คพูดจะการกระทําอาจจะบุธุกไ็ได้หลวงพ่อได้ฝึกหัดตัวเองด้วยฝ่ามือฝึกการกราบเนี่ยอ่านี้ออกก่อนนะดูเอาไว้นี้ก็ได้นะเอาไนี้ก็ได้น ะ, ะที่แรกอจะมาเป็นเนนกราบกับอาจารย์อาจารย์สอนทังสี่ นี่เป็นสอนนะสิการอาตอมากระกราบบันนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาว่านโมตัศเอ๊ะมากราบนีมเห็นน้อยๆลองบังแต่ในโมเมนต์นพ่อเราพ่อเราตายไปแล้วไปเห็นคนอ้อคืออีพ่อค่อยแท้บมเมนต์นพ่อเราแท้ๆไปจับบังโมเมนต์ คืออีแม่แท้ๆ เ, นเน่ยพอจะคือซื่ออันนี้คคายคืออาจจะมาเ่าเลย่อกอ๋อก็เลยเหตุนังสี่ไปนี่มเาลงสี่แล้วมันเนอาไว้ดิบมัน พอเราแท้แท้สละบัณฑิตเนี่ยเยด็กจย่างข้าพิองห้าองค์งคที่นึ่งหนึ่งสองสามสี่ฮะอันนี้มานี่เดวานกนอนมานี่โอ้หอนกนอเอ้าวว่าโมเสอทุกองค์แล้วกบต้องทำอาตจจมาเห็นตัวเองสิมาขอนเกิดมาขอนกันโูดได้ในโมตจารแลวการกระทำยังไม่เข้าเรื่องตะ เรื่องเฉพาะผู้ทําจริงว่าคนในอินเดียน่ะลอยแต่ตะทีนั้นจะทำคือกันนั้นไม่มีเลยถ้าเห็นอย่างพระพุทธเจ้าจริงๆก็ต้องทําตามแบบพระพุทธเจ้าจริงๆอันนี้เห็นว่าพระพุทธเจ้าน่ะไม่ถูกเขาจึงไม่ทําตามอย่างนั้นพวกเรามานี่ก็เช่นเดียวกันจะหาว่าการท์องพูดคนเดียวก็ไม่เชิงและว่าพูดผิดคนเดียวก็ไม่เชิงเราต้องผิดสูตรเพราะว่าฟังคําพูดแปลกๆก็ต้องผิดสูตรดูตัวอาตมาเองเนี่ยบ่ได้รับรองผนับผนี้อาตมา เสื่อมมั่นว่าโอ้าำยานี้เกิดรู้จังตันอาตมาก็เลยแก้ปัญหาตัวเองหมดพุกได้หนึ่งเลิกนามยามดีนี่รู้จักทันทีหมดต้องเสือ่อเครื่องรางของขังอาตมาก็เลิกได้ไหวพีเทวดาเลิกได้แต่ไม่ก็จะทํำลายอาตมาส่งเสริมการไหวเทวดาพีเทวด า, าต้องไหวเลยส่งเสริมคนใดไหวเทวดาอาตมากล้าได้ เมื่ออายุ46ปีตอนเศารซึ่งเสพจิตทุกประเภทการพ น, นันทุกอย่างอาจมาเลิกได้เพราะว่าอันนี้แหละลู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าบเอเนียเราเป็นสาวกลู้ตามเห็นตามเข้าใจตามจึงว่าแก้ปัญหาตัวเองได้นอกจากนั้นก็หลายเรื่องแต่ว่าพูดวันเดียวมันก็ไม่ค่อยจบดังนั้นก็เปลี่ยนเส้นทางใหม่ตัวเองแต่คนอื่นใ น, นจิตเปลี่ยนกับโเปี่ยนับโมจักจว่า จารของว่าเมื่อนี้ก็คลายๆ ค, ค, คือว่าเปลี่ยนเส้นทางใหม่เปลี่ยนเส้นทางเดินถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนเส้นทางก็จะเดินทางเกา่าแล้วก็ไปก็ไม่มีจุดดังนั้นคนที่จะเปลี่ยนเส้นทางให้เรานั่นก็ต้องมีจุดสำคัญที่จะให้เราไปจะไปถึงจุดใดจุดหนึง่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ที่จะพาเดินแต่ตัวอาตมาก็จะคอยเบิง่งคอยฟังใส่ซื่อโม่ป็หน้าที่ของอาตมาเนี่ย อานามาเป็นหลวงตาเนี่ยก็จะค่อยฟังเนี่ยค่อยฟังดูความสามารถของคนท่านมาท่านก็มีเปัญญาที่จะพูดท่านมีคนสามารถจะสอนนสัตท่านว่าเป็นหลักวิชาการทฤษฎีต่างๆนั้นท่าบไม่รู้แต่ท่านจะสอนตามบุดุกานของท่านเองอาตมาก็จะสอนตามบุญดุขานของอาตมาใครก็บ่ดีเรื่ออาตมาใดตัวอาตมานี่นะแต่ว่าดีของข้าเจ้าอาตมาจึงไปฟังและน้อมจดจำในโพธิใดทุกคนทุกสำนักด้วยการกระทำนั้น แสดงว่ารู้อย่างไม่รู้พูดเองนะจงเจ็ดบรได้วาดอกวาเจ็ตัวหนังสือที่เขียนไว้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้เขียนไว้ตันหนังสือเล่มหนึ่งเสรปกหน้าไว้รู้ดอกหักมันรู้อย่างนั้นมันไม่ใช่รู้อย่างนี้อันรู้อย่างนี้เขาว่าแม่จะเข้าโอกไดเขาต้องรู้มือตาเห็นดีว่าตาทิพหูฟังก็จะได้ยินเจีจยวพูดผิดกายทิพหูทิพโบนั่งนั่งอยู่ทีน่นี่คนพูดไกลไได้ยินในโบนั่งหูก ตาทิพนั่งอยู่นี่คนเดินไปใส่เห็นบนนีตาทิพา น, นั้นกายทิพนั่งจะหอบไปบนนี้กายทิพอย่างนั้นอาตมาจ้าพุทธะตาทิพหมายถึงตาใน ม, มองดูสภาพคนนั้นทำผิดถูกอ่านเบืงหลักชนะตัวเองรู้มาแล้วกับตําราที่พระพุทธสอนไว้แล้วกับคนนั้นทํามันถูกหรือมันผิดอาจสามารถจะรู้อย่างนี้กับฤๅตาทิพกรได้ในน้อยอสกอรหูทิพฟังคําพูดนั้นพูดอย่างนั้นอาจจะไม่มีในตัวก็ได้หรืออาจจะมีในตัวก็ได้ฟัง แล้ววัดกับคําพูดของพระเจ้าพูดแล้วก็ตัวเองประสบมากับคําพูดคนนั้นฝังรู้จักกายทิพย์เดียวกายบุตรกายเนาเข้าไปใกล้คนสิ่งเสดติดมือเมาทุกประเภทอาตมาเคยติดบุหรี่อาตมาพูดให้ฟังเลยเพรา ะ, ะแสดงอบัติอาตมาไปปฏิบัติธรรมาติดบุหรี่มือดิแดงมืดไงสูบอย่างกระป๋องพอนี้รู้อันนี้มาอาตมาเลิกตั้งแต่เมื่อนั้นจนถึงวันนี้อาตมาบุเอาได้เท กล้าได้ยัยนี่ฉะนั้นกายจริงทิพย์แต่ก้อนนั้นขันทาว่าบุริยาสูบคนสูบยาแต่ไกล่เนี่ยบุบุรีนะมันเสียเอาอเพราะมันทุกข์กินก็นมีแหงบัดเดี๋ยวนี้ก็อาเจียนเลยไกลไปในกระทมสร้างคนที่สูบบุรี่จี้ยู่จากประมาณจากสิบวานี่อาตมารู้เรียกว่ากายของอาตมาไม่ประกอบเรื่องนั้นแล้วพูดออกมาเสียงมันจะออกมาตามฝีปากหรือตามเสื้อตามพระอาตมารู้นี่กายทิพย์อาตมาเข้าใจจะโอ ความเข้าใจของคนผู้ที่ไม่รู้กับความเข้าใจของบุคคลที่รู้ที่มันต่างกันจะว่าเราบประยชนสังคมใดก่อไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องของเขาคนอ้าวบั น, วนี้กกับวาวนิทานเื่นนึงให้ฟังมมอจิตสดุกสรุปข้อ ม, มาแล้วมีเพื่อนสองคนนํากันเพื่นวะไปรักษาศีลด้วยกันไปทําบุญอะไรไปนํากันทั้งเมดนานมาอายุกแกพอไว้สลากรตาย ตายจากกันเลยคนที่รักษาศีลบริสุทธิ์และทําอะไรกระทำทุกคนจริงใจทําคนบริสุทธิ์ไม่เป็นคนหน้าไหวหลังหลอกคนหนึ่งนะคนนึงทารักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์ทาการทํางานพูดคิดอะไรกรมด้วยกคนไม่บริสุทธิ์ทําทุจริตทําไม่แสดงัวบริสุทธิ์ในวัฒนธรมเพื่อหลอกกระดเด้๋ยวจะทำยังไงก็ไดสองคนก็เลยตายตายคนที่บริสุทธิ์พูดก็จริงทําก็จริง มีดีเลามาพูดให้ฟังขันบุดีบุอวดดีคูณนี่พูดด้วยอวดดีคนมีดีเอาไปพูดนั้นตายไปได้จะเกิดเป็นเทวดาอยู่เมืองสวรรค์เป็นวาเอิ้นจ่าตรูมหกฟันเป็นว่ายตะตะมาเฮียนเต็มื่อเป็นเนบุกหุจักจ่าตรูมตะวันทิศญาณมาตุสิดานิมลติปาลรณิเมสสวัสดสวดีอันนี้สวรสดหกฟันเฮียนมาแต่มเม่เป็นเนรขันว่าทพี่ที่ว่าเลียนขันบ้านหลวงพ่อฤาษีเฮียนมันแอบภาษาเมืองลาว บัดนี้คนที่ไม่บริสุทธิ์นั่นน่ะทําก็ไม่บริสุทธิ์รักษาจึงมือตายไปไปเป็นหนอนนั่นน่ะไปเป็นหนอนอยู่ห้องสุ้มของพระโบไิซุ้มนอนเนสุจาระโมนี้อตมาว่าบนิซุ้มนอนเนเข้าใจไหมบอซุวมที่ไปไทยอุจระ น, ะนั่น่บัด น, นี้ก็เลยห่ากันก็เลยไม่เจอกันเลยคนผู้ที่ไปเกิดเมืองสวัรด์นั้นต้องมีตาทิพย์แล้วก็มีหูทิพย์กายเป็นทิพย์มองลงมาทาั้งโลกก็ต้องเห็นนั่นน่ะ มีโอกาสที่จะมองลงมาทางลุมนี่คนที่เป็นหนอนนั่นน่ะบ่มีโอกาสที่เหนื่อยหน้าขึ้นไปได้แล้วก็ต้องการตั้งแต่สิ่งที่สปกปรกไม่ต้องการของทิพย์บัด น, นี้ผู้เป็นเทวดาก็ลยลงมาแสดงกายลงมามาหาผู้เชี่ยวเป็นเพื่อนกันเป็นหนอนอยู่ในช่วงของผ้าอย่าหาว่าจะมาพูดให้ย้ายให้อยู่บริได้นี่เล่านิทานให้กันฟังผู้ของจริงเพื่อจะได้แก้ปัญหากันเมื่อนี้นี่แหะเอาทีมาปฏิบัติอันนี้เลยอะ มันเน่ก็เลยมาเห็นอ๋เพื่อนนะเนีเฮ้ยวันนี้ฟังเสียงกระจ่างได้เนี่หูทิพไปพุทธกทิพไปอย่างหนึ่งพุทธกทิพย์ไปอย่างหนึ่งแสดงว่ามีหูทิพยพอได้คนพูทันเห็นกันได้ยินเสียงกระจ่างได้โลดเฮ้ยเฮ้อวันนมาอยู่อย่างนี่ยนะฮะมาอยู่นี่นานแล้วเพื่อนๆ่ะฮะมาอยู่นี่นานแล้วเฮ้ยใส่ใส่มาส์กเอาออกมาจากเมืองสว่างพุ่นแล้วแต่กันแดงกายลงมาเกิดเป็นเทวดาลงมา โอ้ไปอยู่เมืองสวรรค์เตี้ยสินไปอยู่เมืองสวรรค์คนเล่าคุณค้าเมืองสวรรค์ให้ฟังเดนหะน้ามีคุณประโยชน์อย่างไดสินกนเลยเล่เาความสุขให้ฝั่งเมืองสวรรค์ไว้ให้ฟังทุกคนจะช่วหาว่าหลวงพ่อวา่าพาส่งองค์เจ้ากันจะหาว่าหลวงพ่อว่าให้โบแมนเล่าความจริงที่ได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ฟังอย่งนัง้นและญาติโยมก็เช่นเดียวกันจะหาว่าหลวงพ่อเนี่ยโอ้ยมาพูดกันโดยอ้อมแล้วด่ากันโดยโบแมนด่าไว้ววววฟังซื่อ ดวงสว่างนันอยากได้อนาคจงเป็นทิพย์อยากได้เสื้อได้ผ้าก็ต้องนึกเอาก็ลอยมาโรดเป็นทิพรอยมาอยากได้บ้านสวยๆกับเป็นทิพย์ให้ว่าอยากได้อันาเป็นทิพย์ทั้งหมดอยากกินอาหารให้ว่าทุกอย่างนึกเอาก็พอแล้วใช่ไมีความสุขมากเพลินไปด้วยกันเทอะนะโถเนี่ยไอ้หนอเนี่ยปาโถเหมือนสว่างในทุกป่านนั่งกับเป็นหนอใ่ไนึกเอาเลยเฮาอยู่นี้ไม่มีความทุกข์เลยไม่ได้นึกเลยเนี่ นี่ความสุขมันทิศกันอย่างกันเลยว่ามันมุกคือกันแต่ว่ากายทิศคนละเรื่องกันเขาไม่ได้นึกได้ฝันอันใดเลยมีอาหารดีๆทั้งนั้นนอนกันนิ่มนวนพิกไปนู่นนี่ก็มีเต้านุ่นมีเตาสัมลีเอียงมาเมื่อนี่ก็มีเต้นุ่นมีเตาสัมดีแม่ยากกินอาหารล่นมายูทุกมือเลือกกินตามสบายแน่จงว่าผู้หนึ่งก็ได้เห็นได้อาหารอุดมละเป็นอาหารดีผู้นึงน่ะไม่ชอบคนที่ชอบซัวมันต้องเป็นอย่างจันจงว่าเปลี่ยนไม่ได้นิสัย สันดาลคนพูดอย่างสั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่คนขอดนุญาเนี่ยไม่ใช่คนนสันทาไมจะไม่ต้องเย่อนมันจะไม่คนอย่างไรอ่ะมันจะไม่็นคนจิตใจเป็นคนได้ไหมหลักศาสิร์ศีลมันเป็นน้อนอมันไม่ใช่เปคนคนนึ่งท่นไม่ใช่คนนะเป็นเทวดาเนี่ยเป็นคนก็ยิ่งเขาเป็นเทวดาเนี่ยมันจึงต่างกันอย่างสั้นจีว่าหูทิพย์กับตาทิพย์กายทิพย์ตัางกันจริงๆดังนั้นอาจจะมาไปปฏิบัติธรรมเลิกตั้ณฑ์มือนั้นทุกอย่างเลิกกันจริงๆ โมกลัวผีโมกลัวเทวดาโมกลัวไผ่ทั้งมดให้คือว่าตัวเองนี่แหละช่วยตัวเองได้คนอื่นจะดีเหนือนเราไปไม่ได้คนอื่นก็ต้องดีเรื่อคนอื่นเราก็ต้องดีเรื่องของเราจีว่าทิฏฐิขนยางกันจีวัเสื่อมั่นทิฏฐิของตัวเองจีว่ารไผ่จะมาตัดสินให้เราอะไรอาตมานี้ถูกโจมตีมาเข้าเจ้าว่าผิดผิดข้าจเจ้าแท้ๆเจ้มันถูกต้องตัวอาตมาอาตมาจําเป็นต้องเ อ, อกควมถูกต้องตัวเองบ่ไปเอาความถูก้องคนอื่น จึงว่ายืนแข่งคนอื่นมาอย่างและบ่ยืนคําพูดคนอื่นมาพูดทั้งหมดเลยจะพูดด้วยความพูดของตัวเองจะยืนแข่งตัวเองอย่ามและวิธีก็จะสอนวิธีของตัวอาจมาลูมาไม่ไปยืนคําพูดของใครเลยจิงว่าในประเทศอินเดียมีหลายรัฐีจิงว่าบบเอ็ตี่เอาละที่ของตัวเองนี้เข้ามาสอนจิงว่ามันไปตรงเอากับคําสอนของพระเจ้าว่าให้มีสติแต่พระพุทธเจ้าว่ากับบุคคจักหรือคน อ, อื่นว่ากับบุคคจัก กำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้รู้ตัวพเพื่ออห้สติโดยเฉพาะให้รู้ตัวและให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคู่เยี่ยเขินไหวทุกวิธีสิพเพิ่นวาให้มีสติอาจจะมาวาจะให้รู้สึกตัวพลิกมือควบมือเหลียล่ยวไส้แหลกขั้วมื่นตาหลับตาให้รู้เลือดไส้แหลกขั้วให้รู้อันนี้ก็เข้ากันได้จริงว่ามันเข้ากันได้กับคำสอนของพระเรยรเข้ากันได้แล้วเป็นอย่างไรสินะ สัญญาสัญญาบานนีสัญญาไปจำจักให้สดีแล้วแต่มาวนี่สัญญาคึงขวมหมายรู้จำได้บ่หลงจักเธอและบ่ลืมจักเธอจึงมาเป็นสมบัติของผู้นั้นเอาให้กันบานได้คําพูดอันนี้มันฝังแน่นอยู่ในใจตัวเองอยู่เพราะมองเห็นอยู่บางทีอยู่ตลอดเวลาจริงวาสัญญาอันนั้นไปวางไว้ขั้นสัญญาอันนี้ไปวางไว้มืันนี่อย่างที่อาจมาว่าเมื่อกี้เนี่มันหลง สัญญาในโมเดลสัญญาเสัญญาอาตมาว่านี่สัญญาตัวนี้เกิดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นรู้มากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นญาณวิปั จ, จนาแปลว่าเข้าไปรู้เข้าต่รู้อันี่ยเขาไปรู้ไปสัมผัสแนบแน่นอยู่อนันตั้บันเนี่ยปัญญาจริงว่ารอบรู้ปัญญาก็รอบรู้วิพาคกวิจารย์อันใดเป็นทุกข์อันใดเป็นสุขจิ่ว่ารู้จักเข้าใจสัมผัสแนบ แ, แน่นกันกบซึ่งาชาจือ ไม่ต้องมีคนอื่นมาตัดสินให้เราเลยเราต้องตัดสี่ใจตัวเราเองว่าเราทุกข์ไหมหรือเราไม่ทุกเราผิดไหมหรืเราทูกข์ไหมคนอื่นจะรู้เนี่ยเหนือเราไม่ได้ใช่ว่าคนอาตมาเนี่ยไม่ว่าคนนะคนหน้าโมตัสาพูดได้แต่ทาไม่ตรงแต่ตรงของเขาไม่ใช่ตรงอย่างที่หลวงพ่อตรงแม้สิ่งก็เช่นเดียวกันสิ่งของเขาตรงแต่ไม่ใช่ตรงอย่างสิ่งที่หลวงพ่อรู้หลวงพ่อรูค้คืรูปขัำ รูปขันมีศีลบริสุทธิ์เวทนาขันมีศีลบ ร, ริสุทธิ์สัญญาขันมีศีลบริสุทธิ์สังขารขันมีศีลบริสุทธิ์วิญญาณขันจึงมีศีลริสุิ์วิญญาณจริงว่ารู้ถ้าหากรูปขันไม่มีศีลคนนั้นแปลว่าแสดงมืออย่างสกปรกรูปอันนี้บ่มีศีล น, น, นี่มันก็สกปรกจริงเวทนาขันเวทนาการแสวงอารมณ์คนนั้นบ่มีศีลเขาอยากพูดจะเนี่ยเขาพูดไปสัญญาบางทีจําคนนั้นคนนี้มาพูดไม่ได้สัญญาบมีศีล สั่งขามปรุงคิดนั้นคิดนี้บนเ่องสังขามมีสินดิษยาณรูรู้อย่างผู้ไม่รู้จริงว่าตัดคือจะรู้อย่างผู้ไม่รู้รู้อย่างผู้รู้เอาและมือนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วที่ได้นำธรรมะ ม, มาแนะนําให้ญาติโยมเอาไปปฏิบัติทดลองดูตามหลักวิชาการทฤษฎีนะให้หมู่คนการท้องเป็นผู้รับภาระเพราะว่าเราที่สอนตามวิถีของเพื่อนนี้ไห็นว่าอาจารย์ที่มาสอนเก้าไก่เหมันไม่ได้อาจจะมา ผมเน้นผมย้ำเน้นักวิชาการของอาจารยนักวิชาการของอาจารย์ทองแล้วก็พระเนนที่วัฒนัรไหนที่อาจามาก็อยู่วัฒนธรรมไหนคุณจริงครับไปลงตาเอาและที่อาจามาได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตและเใจมาวันนี้ก็เห็นวัสมกันเกลียเวลาแล้วท้ายท้าที่สุดที่อาจารย์มาพ่อเนรพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้เนี่เพื่อนพิสูจก็คือกันเนี่ยเนี่ยมาว่าจะญาติโยมทุกคนเนี่ย อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั้งสอนขององค์สมเด็จพระตัมมาสรรมริจเจ้าและคุณของพระอนันา菩萨วกพระตัมม า, ารรธรบมริจมาเตือนจิตสักิตใ จ, จให้ทุกคนทุกคนได้ฝึกวิธีการอันนี้แล้วก็ได้มือแจ้งเห็นจริงตามความปิดจริงอย่างที่ครูบาอาจารย์หรือท่านครูสอนไว้นั้นในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเถิด